ตอนที่หนึ่งกราบเท้าขอเล่าประวัติหลวงตามหาบัวกราบแทบเท้านมัสการหลวงตาบัวมหาจารยานสำปันโน ลการานิโยอีกน้อง ม, มโนนมัตสการท่านนั้นจากใจขออนุญาตที่อาจเอื้อมเอาประวัติเรื่องราวมาร้องเป็นเพลงบรนเลง เป็นแนวทางเพื่อยกตั้งไว้ประดับเรือนใจในทุกโอกาสไม่ขาดศรัทธาแม้่มีสิ่งได้ให้บังเอิญได้ล่วงเกินพลังธาดทั้งกายทั้งใจวาจาลูกขอพนมก้มเสียนกราบราบลงวันท้า สุภารกเบอร์คำนำมาร้องเพี้ยนถักถอยร้อยกรองอยู่นานหลายผ่านประวัติเกิดศรัทธาพาซึ้งใจตั้งแต่เริ่มรู้นปฏิปทาจึงบัรจงลงคำนำลิขิตเทิดสถิตเป็นเพลงเปลงภาษามีร้องบางพูดบาง าเวลาตามภูมิแห่งปัญญาจะพึงมีถ้าบทกลอนตอนใดไม่ภายรอไม่สนอนตามควรไม่ทวนทีทั้งเนื้อกลอนไม่เกลียยเสียงไม่ดีโปรดจงมีเมตตาอย่าคุนเคือง แต่งร้องน้อยปัญญาแต่ศรัทธาลน้นเฝ้าคิดค้นหาคำนำต่อเนื่องท่านผู้ฟังทุกรุ่นอย่าคุ้นเคืองขอเข้าเรื่องลวงตาตามวาทีอื ประเสืสอซีสงสี่ห้าหพอซอดจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองนายทองดีนางแพงโลหิต ด, ดีคือสองบุกพการีที่นุ่นเนื่องมีพี่น้องสิบหคนไม่เฟิดเครื่องเนื่องด้วยฐานะดีมีอันจะกินเมื่อเติบใหญ่ไฟงา ขยันยิง่งการทุกสิ่งจริงใจไฟทวินทั้งสองยอยกย่องไม่มองจินไม่ดีดินนี้งานผ่านราวีขอสั่งการสิ่งใดทำได้หมด แต่เรื่องอุปมาสมบทเบี่ยงเดินนี้พูดเรื่องบวชปวดใจไม่ใยดีรีบเดินนี้ออกห่างทุกครั้งไปจนวันหนึ่งอยู่พร้อมน้านั่งกินข้าวพ่อก็พูดเรื่องเก่าขึ้นมาทันได อยากเห็นชายผ่าเหลืองประเทืองกายพระลูกชายชื่อบัวก่อนตัวจะตายพ่อสูญสิ้นชีวานาวิตกใครจะดึงจากขุมนรกที่หมกไหมพูดแล้วพ่อก็อน้ำตาห ย, ยดไหลแม่ก็ปล่อยน้อยใจร้องไห้ตา อยู่สามวันเรื่องการบวชทั้งการเรียนการสวดถั่วในสยามเขาก็เวียนเพียนบวชทุกเขตคามที่ขึ้นชื่อลรือนามมีทมไปเราก็ใช้ตัวไรกับเรื่องนี้ใช้บวชชั่วชีวิตกันที่ไหนบวชให้หน่อยแล้วค่อยศึกเป็นไรไป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 ทำได้ลนะนอบวชเสร็จปุ๊บแล้วสึกปั๊บเมื่อไม่รีรอใครทำได้ลงคอก็เต็มทีสิบสองพฤษภาคมสองสี่เจ็ดเจ็ดอายุได้ยี่สิบเอ็ดเนอพอดีพอดีเป็นวันได้เข้าโบส์ บวชเสียทีก็เพราะบุปผการีจึงจำใจท่านเจ้าคุณพระธรรมมาเจดีพระประชาองค์นี้ที่บวชให้วัดโยธานิมิตรอยู่ติดในอำเภอเมืองไม่ไกลอุดรธานี